พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่3มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ไม่ลืมพ่อแม่ โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อไปสร้างตึกสิบชั้นไปสร้างชั้นสิบตึกสมเด็จญาน่นะสร้างเป็นสมุดิบเกชั้นแต่ชั้นที่สิบเนะ่เป็นหอสงฆ์หอสงฆ์หออบาบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนเนื้อทีทั้งหมดพันเจ็ดร้อยห้าสิบตารางเมตรในชั้นนั้นพระสงฆ์ เดี๋ยวีพระสงฆ์อาพาธมีอยู่ส8ดเตียงแต่ถ้าว่าช่วงมากก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากก็ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่หรอกประมาณที่ี่สิบกว่ากว่าสมิเนี่ยแนะแต่ไม่เคยขาดจะปีหนึ่งจะมีการทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งอันค้านี้ก็จะทอดบนันที่17มิถุนาที่จะถึงนี่แหละกะนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในภาคอีสานนี่หรือภาคไหนก็ น, นิมนต์มามาแล้วก็จะไปตรวจสุขภาพก่อนะดับแรก ตอนเช้าเราไปก็ไม่ให้ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะตรวจที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะไปตรวจเลือดไปดูดเลือดไม่ให้ท่านชันอาหารทานอาหารไม่ให้ดื่มน้ำํำลักษณะอย่างนั้นเที่ยงคืนลักษณะท่านก็บอกมาจากนั้นก็ไปตรวจพอดูดเลือดเสร็จแล้วก็เขาพวกพยาบาลพวกหมอก็ไปตรวจจากนั้นก็พระสงฆ์ก็มาสวดมนต์บิณฑบาตสันเช้าพอฉันซ้าเสร็จก็ทอดพระป่าสามัคคี เพื่อหาทุนสมทบตึกสงอาพาธหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อได้มากหลวงพ่อจะเป็นพู่จับไมอย่างนี้เหล่างั้นพระสงฆ์คนมากเลยเป็นร้อยสองสามร้อยนะหลวงพ่อก็บอกว่านี่หมู่คณะพระสงฆ์ทางหลายที่มาเจ็บใครได้ป่วยถ้าพูดใดก็าตามเจ็บป่วยอยู่ทาง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 พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในอาการไม่ดีขึ้นป่วยหนักอยากจะเข้ามาศีนครินให้เข้ามาเลยไม่ต้องให้หมอสง่งให้เอามาเข้ามาเลยพอเข้ามาแล้วทางโรงพยาบาลทางหมอทางศีนครินเนี่ยจะรับไว้แล้วก็จะรักษาส่วนกฎ ร, ระเบียบยังไงที่จะเรียกต้นสังกัดยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอเพราะนั้นขอบอกให้ครูบาอาจารย์ ทุกๆองค์ในระพูรับทราบเนื่อที่เป็นพระเทระผู้ใหญ่จากนั้นก็เรื่องที่พวกเราหาทุนในวันนี้ที่ถอดผ้าปา่าแต่ละปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ปีหนึ่งก็ทราบจากคณะแพทย์คณะหมอแต่ก่อนก็ใช้เพียงปีละสองสามแสนต่อมาก็เห็นพระสงฆ์ขึ้นม า, มากก็ 5-6 แสนแต่เมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ประมาณล้านล้านหรือล้าน7แสน และเงินที่เราใช้ในใช้ยังไงที่หมอใช้ในใช้ยังไงก็คือตามปกติพระก็ใช้บัตรทองเรียกว่าบัตรผู้ป่วยสามสิบบาทแต่ว่ายาบางตัวราคามันเม็ดละห้าร้อยบาทอย่างมะเร็งเเม็ดละห้าร้อยา500บาทเหมือนถ้าสามร้อยบาททางโรงพยาบาลเขาก็ให้เพียงสองร้อยบาทเราจะต้องใช้เงินทุนก่อนนี้แหละ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 แว่นตาไม่มีพระที่ไม่มีแว่นตาแล้วก็เนี่ยแหะจะได้ใช้เงินก้อนนี้เพราะถ้าเงินก้อนนี้เป็นเงินเงินสัมลองจ่ายที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะจ่ายได้ช่วงระหว่างล่างไตเงี้ยเราก็เนี่ยใช้เงินก้อนนี้ได้แต่ล่างไตมันพั่มเพื่อนะจะ ต, ต้องได้ใช้เงินมากเขาก็ถามหลวงพอ่อ ทางหมอทางพยาบาลทางหมอประชุมกันก็าถามว่าลวงพ่อจะให้พวกผมรักษาอย่างไรอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยหรือว่าโรคไตยอย่างเงี้ยจะให้ทางโรงพยาบาลจะใช้เงินหมูลิทธิขนาดไหนใช้จนหมดหรือว่าใช้อย่างไรหรือว่าใช้ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะลวงพ่อก็ให้ความเห็นว่านี่นะในฐานะ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 ก็ถ้าให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านล้างเงินหมู่นิธินี่ก็เอาไว้ก่อนเว้นเสียท่านถ้าว่าท่านเป็นพระมหาเถระท่านก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะอยู่แล้วแต่จาหรับพระภู่าธรรมดาถ้าเกินไปหลวงพ่อก ว, ว่าทําไปก็เสียเงินและอีกอย่างนึง่งสมมุติว่าเป็นมะเร็งถ้าเป็นขั้นที่สี่หรือขั้นที่สามขึ้นไปแล้วก็ใช้แบบประคับประคองอย่าไปทุ่ม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 เก็บไข้ได้ป่วย เ, เดี๋ยวนี้ก็เงินมูลนิธิจุดนี้ก็ป่าเข้าไปเกือบสาสิบกว่าล้านเหมือนกันนะนะก็หลวงพ่อเนี่ยเทศใส่เอ็มพสามส่งไปทุกหัวและแหงอย่างที่ว่ากับเงินเขาก็โอนเข้ามานะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิหออภิบาสงลสงหลวงปู่มันก็ปีหนึ่งใช้ประมาณล้าน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 ชีด้วยแล้วก็สามเณรพระไม่ว่าพระนิกายไหนถ้าเข้ามาแล้วก็ให้เอาเงินก่อนนี้ใช้ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์หลวงพ่อก็บอกกว้างๆอย่างนั้นแหะแต่ที่ค่า ใ, ใช้จ่ายก็เนี่นะล้านกว่าบาทต่อปีประมาณล้านเจ็ดล้านแปดแต่ทอดปีที่แล้วเนะ่ยเกือบสามล้านเหมือนกันนะเราสึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ ไปช่วยกันมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์พระสงฆ์หืวงพ่อวัดต่างๆบางที่ก็นะ่ลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาของตนเองเวลาป่วยเข้าไปจะได้เอาไปนี่นะส่งเข้าไปในศรีนครินไอันนี่ก็คือทอดภาป่า ท, ที่หลวงพ่อยื่นให้เมื่อกี้เนะนี่ยนี่ภาพปาโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นแต่สองโ ร, ง, รงพยาบาลอุดรของเราเทนี่ โรงพยาบาลอุดรของหลวงตาที่สร้างเสร็จเปิดเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมั้งตึกสิบชั้นนะแล้วก็เตียงคนป่วยสองร้อยห้าสิบเตียงมนะั้งตึกหลังนี้แล้วก็มีพร้อมทุกอย่างนะที่ว่าเครื่องใช้ที่ว่าทันสมัยกว่าทุกทุกหลังแล้วก็ตึกหลังนี้ใช้ ชั้นแชั้นเกชั้นสิเป็นตึกสงฆ์แต่ชั้นเจลงมาตึกชั้นเจมันเป็นตึกของเป็นชั้นของชีและก็ตึกผู้หญิงด้วยของชีประมาณสัก10เตียงมั้งกันไว้สําหรับแม่ชีผู้ปฏิบัติ in. จากนั้นก็เป็นของชาวบ้านจากนั้นก็เป็นของชาวบ้านทั้งหมดแต่เมื่อ อ, อถถาทิตย์หลวงพ่อไปเยี่ยม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 มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนพอหลวงพ่อเป็นหลวงปู่บุญมีเป็นประธานแต่ก่อนองค์หลวงตาเป็นประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วทุนกระมอมว่าหญิงเป็นองค์อุปถัมภ์หลวงพ่อเป็นเลขาสมัยเมื่อหลวงตายังทรงทาาทรงขันอยู่แต่พอหลวงตาจากไปยกหลวงปู่บุญมีเป็นประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน หลวงพ่อเป็นรองเป็นรองประธานหลวงพ่อจุธาเป็นรองประธานองค์ที่สองจากนั้นก็ท่านหลวงพ่อจุดใจเป็นเลขาเลขามนตรีนี่แหละอันนี้ก็กองทุนกำลังทะลักเข้ามาอยู่สำหรับเสียงธรรมเสียงวิทยุของหลวงตาเพราะมีค่าเช่าค่าอะไรมีวิทยุโทรทัศน์ของหลวงตาของหลวงตานี่ก็ดูแลพระสงฆ์เหมือนกัน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 เครื่องผาตัดอันนี้นะคือหลวงพ่อได้ช่วยทั้งโรงพยาบาลถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลหลกราดก็คงจะเออจะตุปัจจัยหลวงพ่อเนี่ยได้มาจะใช้ไปยังไงมีเยอะแยะที่ทางจะใช้นะออวันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราชสองพห้าอยห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันโกน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 เออวันนี้เป็นวันสำคัญนะวันภาคบูชาวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือวันเกิดของตนเองหรือวันเกิดพ่อแม่บรรพบุรุษของเราเราควรจะทำตนอย่างไรให้เป็นคนดีสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งวันนี้เราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่แหละอันนี้คือการ เอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมิใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันก็มีแต่มืดกับแจ้งไปเรื่อยๆมันไม่เห็นสำคัญอะไรแต่ถ้าเราให้ความสำคัญมันสำคัญอยู่ที่ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายตัวที่คนให้ความสำคัญถ้าให้ความสำคัญสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจุดนั้นตรงนั้นเวลานั้นก็สาคัญ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 พระหานของบุตรธิดาผู้ให้กำเนิดพอเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเป็นผู้มีอุปการะก่อนกว่าทุกคนเราจะไปมองข้ามพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเรามาเราจะเจริญได้อย่างไรถ้าว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราจึงเป็น ตัวตนขึ้นมาขนาดนี้เพราะนั้นถ้าว่าเราไปอยู่ณสถานที่ใดถ้าเราไม่มีวัดวาศาสานาที่จะไปแล้วก็ไปกราบพ่อการาบแม่ไปแสดงความเคารพในหลักของพระพุทธศาสานาแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับพ่อแม่อย่างมากอย่างในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดปาเชตตะวัน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 ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นพระองค์ก็ได้ปรินิพานจะว่าสวรรคตไม่ได้นะเพราะพระเจ้าจุโทธทนาเนี่ยถึงจะเป็นท่านเป็นคารวาสท่านไม่ได้บวชแต่ว่าจิตใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระรอรหันต์ยังเป็นโยมอยู่ก็จะต้องว่าปรินิพานอย่างพระพาหิยะก็เหมือนกันถึงท่านจะมรณภาพเป็นคารวาสก็ท่านก็บอกว่าปรินิพานเหมือนกัน ใจของท่านสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์จากนั้นพอพระเจ้าจุโทธทนะปรินิพานแล้วนางโคตมีที่เป็นพระแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าเราท่านก็มาขอบวชตามพระองค์พระพุทธเจ้ามาบวชที่เมืองเวสาลีอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างลรลภลัษณนะคือเป็นแนวทางให้รู้ว่าพระแม่เลี้ยงของพระพุทธองค์ ก็พาบริวารทั้งห้าอมาบวชแต่ต่อมาน้องชายของพระพุทธเจ้านันทะก็บวชรูปนันทาก็บวชแต่นี้นางพิมพายโสทรานะพระวรชาญาของพระพุทธองค์นะแต่นี้พระลาหุนก็บวชเด็กลูกชายก็บวชนาง เ, ออเราจะอยู่ไปทําไมเราก็ควรจะบวชนะนางก็ได้เดินทางมากับบริวารมาบวชที่วัดปา่า มาบวชที่กรุงสาวัตถีจะเป็นวัดสํานักชีสานักภิกษุณีอีกส่วนหนึ่งแต่พอนางบวชแล้วนางก็เป็นนางภิกษุณีเป็นกษัตริย์บวชนะีการเป็นอยู่กับกษัตริย์อยู่ในเวียงวังแต่ที่มาเป็นนักบวชนะเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นบิณฑบาตฉันตามมีตามเกิด น, ะนี่แหละกษัตริ์ท่านเสียสละยอมขนาดนั้นเนะพราะท่านมาปฏิบัติธรรมจากนั้น วันหนึ่งนางพิมพายโสธลานิอาพาธป่วยเป็นโรคจุกเสียในท้องคือปวดท้องปวดท้องแบบบอย่างแรงเทนิพราหุนผู้เป็นลูกก็เข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปคอยอยู่ที่ศาลาเพื่อจะให้แม่มาหาบอกว่าต้องการพบพระมานดา ทั้งพิกษุณีทั้งหลายเขาก็เลยมากราบเรียนท่านพระหุนว่าแม่กำลังป่วยอยู่ลมเสียดในท้องต่นี้พระราหุนก็เดินเข้าไป้าอยองแม่พ ร, พระแม่เจ้าพอเข้าไปพระแม่ก็บอกว่าออลูกแม่ปวดท้องอย่างแรงแต่ถ้าว่าอยู่ในเวียงวังสมัยก่อนแม่ก็จะดื่มน้า มะม่วงกับน้ำตาลกวดน้ำมะม่วงกับน้ำตาลกวดผสมกันอาการอย่างนี้จะหายแต่บัดนี้เราเป็นนักพจนักบวชเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราจะหาน้ำมะม่วงและน้ำตาลกวดมาจากที่ไหนคือนางพิมพายโสธลาที่เป็นพิกชนีพูดให้พระลาหุลฟัง พระราหุนเป็นลูกชายก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวผมจะไปหานะพระแม่เจ้าก็ว่าอย่าได้หนักใจนะลูกนะนี่นะ่นะนะนะอันนี้ก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทนทุกข์ขนาดนั้นนะถึงราดธาตุขันแต่ใจของท่านเไม่ได้ทุกแต่ธาตุขันของท่านเนะี่ยทุกจากนั้นอพระราหุนก็เดินออกมาท่านเอ๊ะท่านจะไปหาใครคือทั้งที่ ภาษาลิบุตรก็เป็นพระอุปชาของท่านพระราหุนนะแล้วก็พระโมกคลาก็เป็นพี่ชายใหญ่พระอานนท์ก็เป็นน้องของพระพุทธเจ้าแ้่พระพุทธเจ้าก็คือพระบิดานะท่านก็ไปหาภาษาลิบุตรไปยืนอยู่ภาษาลิบุตรมองเห็นเอ๊ะลาหุนทําไมมาอะไรวันนี้ผิดปกติพระราหุนก็บอกว่าโยมแม่ไอ้คุณแม่ของกระผม เป็นโรคปวดท้องจุกเสียดแต่ถ้าว่าเป็นอยู่ในเวียงวังสมัยก่อนก็คงจะใช้น้ำมะม่วงกับน้ำตาลกลรวดผสมกันแล้วก็ดื่มแล้วก็จะหายแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าจะหาน้ำมะม่วงจากที่ไหนข้บผมภาษาลบอเออไม่เป็นไรล่าวเต ว, วันพรุ่งนี้ พอสว่างเป็นวันใหม่ภาษาลิบูตก็เป็นผู้พานำนำสมมาเนรลาหุนเข้าไปในกรุงสวัตถีพอไปถึงกรุงสวัตถีแล้วก็เดินเข้าไปให้พระลาหุนอยู่ในที่พักแห่งหนึ่งที่โรงฉันแห่งหนึ่งท่านฉันใชนะรมลาหุนส่วนภาษาลิบูต ท, ท่านก็ก็ไปนในเวียงวัง เข้าไปในวังของพระเจ้าปัสเสณที่โกศล น, นะพอพระเจ้าปัสเสณที่โกศลเห็นพระสารีบุตรเข้ามาท่านบอโอ้ขอในมนุษย์เจ้าท่านสารีบุตรเข้ามาเข้ามาในวังมีธุระอะไรเ น, หนาะถ้าผมพระสารีบุตรก็ไม่พูดจากนั้นมันก็เป็นบุญของพนางพิมพ์พาเหมือนกันนะตาพิจรารณาดูแล้วก็มีพวกเอาน้ําผลมะม่วงมาจากอุทยานะ เอามะม่วงมาจากอุทยานพอมาถวายพระญาประสิิ์สองใบพระญาประสิิ์กับปอกเลยปอกมะม่วงพอปอกมาแล้วก็ขยำขยำด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองขยำน้ำมะม่วงจากนั้นก็กรองพอสมควรแล้วก็ถวายใส่บาดพระพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ให้สินให้พรจากนั้นพระสารีบุตรไม่ชัน ตามนั่จริงในมวลท่านฉันแต่ท่านไม่ฉันถ้นนใส่บาลแล้วก็ออกมาเลยรีบออกมาเลยพระเจ้าประเสียนก็เห็นอากัปกิริยาของภาษาริบุตรเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทําไมท่านสาิบุตรพระเทเรท่านทำไมจึงรีบท่านจึงออกไปอย่างนี้ไปดูซิท่านก็ให้คนในเวียงวังตามไปดูฮะพอตามไปดูกดภาษาริบุตรก็มอบน้ํามะม่วงให้พระลาหุน ะราหุลนก็ได้น้ำมะม่วงเดินอ้าวมาให้คุณแม่เลยว่างนั้นแตพอนางพิมพ์ญาโศธาลาได้ดื่มน้ำมะม่วงกับน้ำตาลกวดอาการจุกเสียดในท้องของโยมมันดาก็หายไปพระเจ้าประเสริก็เห็นโอ้ท่านเป็นสุขุมราชาตเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่หากว่าพระพุทธเจ้าทรงครองเป็นคราว่าต์พระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิน่ะ เ, เป็นใหญ่ในแผ่นดินานางพิมพ์พานยโสธราก็จะได้เป็นอากรมเฮสีใหญ่ในแผ่นดินเขาเรียบอะไรอากรมเฮษสีของพระเจ้าจักรพรรดมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งนะแล้วก็พระลาหุน คงจะได้เป็นขุนผลใหญ่ในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาแต่บัดนี้ทั้งสามพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าก็ดีพระราหุลก็ดีนางพิมพายโสตะลาก็ดีได้ออกบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรูวเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนางพิมพาก็ได้บวชก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต พลาหุนก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านท่านออกมาบวชแล้วท่านอยู่แบบนักพจนักปวดตั้งแต่นี้ไปเราระยาปเสนเนี่ยท่านว่าเราจะดูแลเรื่องน้ำมะม่วงเนี่ยที่ท่านต้องการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านไม่ให้ลืมพ่อไม่ให้ลืมแม่ถึงท่านเป็นพระอาหารหันต์ ท่านก็ยังให้ลำลึกถึงพระคุณที่เป็นผู้มีอุปกรณคุณสำหรับองค์ท่านอย่างพระราหุลนะ่ท่านไม่ได้ปล่อยปลาละเลยท่านให้ความสำคัญพมานดาของท่านอย่างสุดซึง้งถ้าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาแล้วเอออันนี้แหะคือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งบิดามันดาของท่าน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 เป็นการให้อย่างสุดซึง้งให้อย่างลึกซึง้งให้อย่างดีที่สุดคือให้ธรรมะนะเพราะฉนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาขอให้พวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทำดีพูดดีพวกเราที่มีแต่ความสุขความเจริญนะตอนน่อไปรับพรอ น, อนโมทนาให้พร